พระนิพพานพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสิ่งที่คนเราหวงแหนที่สุดแล้วก็รักที่สุดและอยากเป็นเจ้าของมากที่สุดก็คือใจเรา เราจะบอกว่าเราไม่รักใจเราหรอกเรารักคนอื่นอันนั้นก็ยังไม่ถูกต้องนะเราจะเห็นว่าเราจะทําอะไรก็ตามเราทําเพื่ออะไรเพื่อมันถูกใจเราใช่ไหมบางทีเราก็บอกว่าเอ๊ะแล้วเวลาเราเอาใจคนอื่นละ่ะเพื่อให้ถูกใจคนอื่นละ่ะอันนั้นเพื่อถูกใจเราหรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่หรอกเราจะดูว่าเนี่ยเราเอาใจคนอื่นจช่วยคนอื่น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 อาจจะสูญหายไปได้อันจ้ะเป็นสิ่งภายนอกแต่ว่าให้มีสติระวังใจไว้ให้ใจมันหายของหายอาจจะแจ้งความให้คุณตํารวจช่วยหาได้แต่ถ้าใจหายนี่ไปแจ้งความไม่ได้นะไปแจ้งที่ไหนไม่ได้นะเราต้องหาเองเนี่ยเพราะฉะนั้นของหายอย่าให้ใจหายเราต้องดูแลใจเราให้ดีการดูแลใจนั้นก็คือการมีสติดูแลจิตให้เป็นปกติ มีคำคำนึงที่เรามักจะพูดว่าเราควรจะมาฝึกฝนจิตใจไว้แต่นี่เป็นคำพูดนะอันที่จริงเนี่ใจนี่ไม่ต้องฝึกฝนหรอกเพราะเขาดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ควรจะฝึกฝนนั่ก็คือนิสัยของเราต้องควรจะฝึกฝนให้มันดีใจเขาดีอยู่แล้วม่เหมือนกับดวงอาทิตย์เขาส่องสว่างอยู่แล้วในตอนนี้นะอาจจะดูท้องฟ้ามืดครึ้มไปบ้างอันนี้ไม่ใช่ดวงอาทิตย์มันจะดับลงไปนะดวงที่เขายังสว่างอยู่แล้ว แต่ว่าถูกเมฆหมอกต่างๆเนี่ยมาปกคลุมเมฆฝนฤดูการเนี่ยมาปกคลุมทําให้ดวงอาทิตย์เนี่ยดูเศร้าหมองไปจริงเขายังสว่างอยู่เขาอยู่อีกด้านหนึ่งของเราใจเราก็เหมือนกันน่ะเขาดีอยู่แล้วเขาเป็นปกติอยู่แล้วแต่เศร้าหมองไปเพราะว่าถูกกิเลสที่มากับความคิดมันจอมาสู่จิตเป็นคข้างข่าวทําให้จิตเนี่ยมัวหมองเพราะนั้นใจเรามันดีอยู่แล้วที่ต้องระวังก็คือระวังความคิด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 อันนี้สําคัญนะเพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยไม่ต้องไปฝึกฝนก็หรอกแต่ฝึกฝนที่นิสัยใจของเราฝึกขัดดัดนิสยัยที่ชอบเชื่อความคิดแล้วก็ทำตามความคิดจึงทำให้จิตใจนี่ต้องมัวมองเราเพียงแต่มีสติรู้สึกตัวไปเรื่อยเนี่ยรู้ทันความคิ ด, ม, คดมันคิดปั๊บรู้ปุ๊บมันคิดปุ๊บมีสติรู้ปุบ๊บแค่รู้เฉยเฉยเนี่ยตรอบดูแลจะให้เป็นปกติแล้วไม่ต้องไปขับไล่ความคิด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 เราอาจจะแบ่งแยกได้นิดหน่อยก็คือว่าถ้าความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันจะมาคิดเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราลองทําอะไรเพลินเเนี่ยกําลังฟังธรรมะเพลินเเดี๋ยวมีความคิดมายั่วแหะปรุงแต่งฟังไม่รู้เรื่องบ้างลำคาบ้างอันนี้คิดปรุงแต่งทั้งนั้นและแล้วมันจะคิดยาวความคิดปรุงแต่งนี้มันยาวบางทีนอนไม่หลับเพราะความคิดสว่างว่ายังคิดไม่จบเรื่องเลยอันนี้คือความคิดปรุงแต่งยาวแล้วก็จบได้ยากและคิดแล้วทําให้เราต้องเหน็ดเหนื่อย แล้วก็วิตกกังวล ม, มากยิ่งขึ้นคือความปรุงแต่งบางทีมันคิดข้ามคืนข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีข้ามพพข้ามชาติกระอดอยู่นั่นแล้วดงดจิดอยู่นั่นแล้วน้อยใจอยู่นั่นแล้วอันนี้คือเรื่องของการปรุงแต่งที่เราไม่ต้องการนะแต่มันห้ามไม่ได้หนักจิตหนักใจถ้าเป็นความคิดที่เกิดจากสติปัญญาเนี่ยเรามันเป็นระบบมันไม่ยาวนะคิดแล้วจบได้ไง่ายคิดวางแผน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 เราจะหลงตามความคิดไม่ได้ต้องคิดดีแล้วมีต้องปล่อยวางไม่ก่อนอันนี้เป็นความคิดที่เกิดจากสติแล้วก็กลับมารู้สึกตัวเหมือนเดิมรู้ความคิดเฉยๆอันนี้เป็นการดูแลจิตจิตก็เป็นปกติเพราะฉะนั้นจิตไม่ต้องไ่ฝึกฝนนะเพียงแต่ดูแลเขาให้เป็นปกติโดยการระวังความคิดที่มาปรุงแต่งแล้วก็ไม่ต้องเชื่อความคิดแต่ให้รู้ทันแล้วก็ใช้ความคิดที่เกิดจากสติปัญญาของเราอันเนี้ยเราต้องฝึกหัดปฏิบัติฝึก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 ต้นไม้เนี่ยอาจจะไม่ได้กินน้ําก็ได้นะเทียนต้นไม้เขาก็จะมีทรงพุ่มเราไปรดที่โคนต้นมาเนี่ยบางทีรากก็จะไม่ได้ดูดน้ํารากของต้นไม้เนี่ยมันจะต้องแผ่ขยายมาเท่ากับทรงพุ่มแล้วก็รดรอบๆโคนต้นให้อยู่ระดับทรงพุ่มเห็น ไ, ไหมรากก็จะดูดน้ําอย่างถูกต้องเห็นไหมเหมือนกับให้อาหารที่ตรงปากของเราไปให้ทางจมูกมันก็กินไม่ได้ไดไรดน้ําให้ถูกต้อง ลดที่รอบรอบทรงพุ่มแต่ต้นไม้ก็จะดูดอาหารได้ถูกต้องแล้วก็ต้องรดให้ต่อเนื่องคือรดตอนเช้าแล้วก็ลดตอนเย็นให้ต่อเนื่องทุกวันคำลดตอ่อเนื่องนี่ไม่ใช่ลดทั้งวันนะรดทั้งวันนี่ก็ไม่ถูกต้องอีกต้นไม้สำลักน้ำทายรดเป็นเวลาตอนเช้าตอนเย็นทุกๆุกวันนะต้นไม้ก็จะเรียนเติมตการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันการเจริญสติก็เหมือนกัน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 พึ่งตัวเราเองก็โดยการปฏิบัติให้มีขึ้นในตัวเราด้วยฝีม้าอะไรมือของเรานี่แหละเราจรึงได้ที่พึ่งคือธรรมะเอาไว้ดูแลรักษาใจของเรา